ตรรมบัตรก็จบชานี้ก็มีพระมัธรมัตส่วนหนึ่งคุณแม่จีมัธรมัตส่วนหนึ่งยาโยบาทรงบัจจิกาคนเก่าคนใหม่เป็นไงกันบ้างเมื่อคืนนอนหลับกันโดยสติดีกันไหมความคิด ปลาฝันปลาละมเมอเพอพกอย่างไรกันเกินก็ฝันก็วันก็คิดโอเคเราสวดกันอดีตเนี่ไม่ควรที่จะคิดด้วยความอารายอาวอร์ตลอดคิดด้วยความอารายอาวรด้วยความหลงอันนี้ก็ เป็นเรื่องของปุถุชนคนทั่วๆไปคิดมากๆก็เป็นโรคสมองได้โรคจิโตโรคประสาทก็ต้องรูจ้จักใชนะ้พลังงานตัวนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ถ้าหากเราคิดแนอดีเป็นข้อมูลความจำเป็นประโยชน์เป็นการเป็นงานหยิบมาใช้ใช้แล้วก็วางเก็บไว้ที่เก่า ล, ลึกได้ตัวนี้เป็นอัตติตังคยานมันมจะคิดด้วยความอารายอาวรนมันคิดด้วยความไม่ใช่อารัยอาวรนแต่มาประโยชน์จากสมองจากการทรงจำเรียาสัญญาเป็นความบริสุทธิ์อนาคตก็เหมือนกันถ้าคิดไปด้วยความกังวลเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนู้นสับสนในตรงนี้ละจะเข้าโรงพยาบาลบ้าเปน็นโรคจิตโรคประสาท แล้วไม่ได้ข้อสรุปหลอกประเภทนีนะ้บกวนเหมือนภายเรือในอ่างทําอะไรก็เอาความคิดออกหน้าเราต้องเอาการกระทําออกหน้าเลยว่ากรรมจะทําเดียวกันกระทานำํำไม่ต้องคิดอย่างเดียวทําเลยทํางานทําการมิวจากแน่นอนแต่ตัวนั้นปัญหาจะเปลี่ยนเป็นปัญญาเวลาคิดถึงอนาคตก็เป็นอนาตังายาน แล้วแต่มันจะรวดเร็วหรือว่าถูกต้องแม่นยำขนาดไหนขึ้นอยู่กับการฝึกนั่นแหละ mm hmm. ปัจจุบันก็เหมือนกันถ้าคิดไม่เป็นก็เป็นวิพาวิจารณ์นะ mm hmm. ไม่ใช่ว่ามันไม่เป็นปัจจุบันนะความคิดเนี่ยเป็นปัจจุบันนั่นแหละ mm hmm. คิดออกมาตรงกับตามความเป็นจริงด้วย mm hmm. เป็นปัจจุบัน mm hmm. มันถึงเป็นปัญญาแก้ปัญหาได้ mm hmm. เป็นปัจจุบันขยาน เพราะนั้นเราก็มีอาชีพต่างๆมากมายนะเป็นจินตนาการปฏิมากรรมศิลปกรรมต่างๆอันนั้นเป็นศิลปะเป็นเรื่องของการใช้แนวคิดมุมมองที่อาจจะไม่ซ้ำแบบไกลเราคิดแบบนอกกรอบสังคมไม่คิดแบบกรอบแบบนี้แต่ว่าเราคิดนอกกรอบแล้วเนที่ยอมรับไปมันก็เป็นจุดเด่น เป็นจุดขายได้นะสามารถที่ประกอบอาชีพจนกระทั่กลายเป็นเรียกว่าอาัจฉริยภาพนะเป็นภาพของความอัจฉริยะขึ้นมาณวันะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะพระเจ้าได้ชี้นำเอาไ ว, ว้าละจริงๆแล้วนะเราชาวพุทธหนะรือว่ามรดยชาติเนสะียงตกอยู่ในวงวังวนของความคิดนะก็ น, นั่นหมายถึงว่าเออเราก็นาเสียดาย ปรศาสตรนานนเราชี้ตรงนี้เลยเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องของความรู้สึกตัวนี่แหละนะความรู้สึกตัวแต่ละขณนะที่มันเป็นเรื่องของการที่เราฝึกหัดจิตใจของเราพัฒนาจิตใจของเราเรียกว่าภาวนานะคือขยันรู้รู้เนื้อ ร, รู้ตัวสร้างสติที่มันมีอยู่แล้วให้มันจเจริญว่องไวเจนเป็นไหวพิปฏิพานเะหมาะแก่การงานเรียกว่าทำหน้าที่ ธรรมะคือการทำหน้าที่นั่นแหละการทำหน้าที่แหะคือปฏิบททัติธรรมถ้าทำเป็นนะ ถ, ถ้าทำหน้าที่ที่มันเรียกว่าเป็นปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ไม่มีปัญญาผ่านได้ก็เป็นความสับสนยุ่งนเหยิงอะไรแบบนี้หลวงพ่อเขียนนั้นใจเขียนคำว่าดินพ่อขางหมูอะดินพ่อขางหมูมันหนักไปเรื่อยๆยิ่งทำยิ่งหนักทำอะไรก็ไม่สาเร็จอย่างไง มันไม่มีความสําเร็จมันก็แน่นอนที่สุดละความเพียรมันก็น้อยความอดทนมันก็น้อยนะสำหรับคนที่นะมันมีความเพียร น, น้อยมีความอดทนน้อยมันก็ล้มเหลวในชีวิตนะนะตัวเนี้ยนะเพราะฉะนั้นเราไม่กินบุญเก่ากันพวกเรานะเรามาสร้างบุญใหม่นะมามืดไปมืดหรือว่ามาสว่างไปมืดนะมาสว่างไปสว่างนะต่อยอดทันทีนะ ต่อยอดจากบุญกุศลต่างๆนะเป็นตัวของสติปัญญาพาพ้นทุกข์ไปเลยนะนะประเั้นเรื่องของอดีตอนาคตนะที่เราถูกต้องวางเอาไว้ในขณะปฏิบัตินะมีการชี้กันวนะ่ต้องวางอเอาไว้ให้ชัดเจนเรื่องของปัจจุบันก่อนตักระทบรูปปรนะุงหูฟังเสียงปรนะุงนะกลับมาหาปัจจุบันก่อนมันก็จะง่าย ก, การเห็นความคิดนะคิดไปอดีตคิดไปอนาคตคิดวิภาควิจาร์คิดวิตกวิจารณ์ก็มีเหมือนกันนะตรงนี้เป็นเรื่องที่นักปริบัตธรรมต้องเดินผ่านไม่ถูกไม่ผิดทั้งนั้นละ่นะประสบการณ์ใกรบ้างนะที่ปฏิบัติแล้วจะไม่ง่วงไม่มนะีปฏิบัติธรรมแล้วก็จะไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมืยไม่มนะนะีมันต้องมีทุกคนมันเป็นสัจจคความจริง ไปอทำใครบ้างเข้ากรรมฐานแล้วม่คิดฟุ้งซานอดีตเป็นอย่างนั้นอดีตเป็นอย่างนี้นะเป็นรักเป็นจังเป็นสุขเป็นทุกข์เป็นบุญเป็นบาปเป็นดีเป็นชั่วมโผล่มาแน่นอนนะเราก็จึงได้เห็นตัวเองมันทบทวนอย่างนั้นมันก็เข็ดหลาเป็นจิตสำนึกมื่อเกิดขึ้นมาเมื่อกายเป็นสานึกบาประลึกบุญอะไรเป็นความดีความงาม อะไรเป็นความถูกต้องอะไรเป็นความจริงมันก็เดินไปทิศทางนี่แหละเป็นทิศทางพ้นทุกขนะ์และชั่วทําดีชําระจิตนะอะไรที่เป็นความคิดนะถือว่าออกมาก่อนออกมาก่อนนะมันก็จัดห้องนี่แหละนะจิตใจของเราเปรียบเหมือนห้องห้องใหญ่ที่เราอยู่มาหลายปีนะไม่เคยจัดไม่เคยเช็ดไม่เคยถูทําความสานะอาดก็ยอยู่กับฝุ่นละอองนะที่เราเข้ามาก็มี เป็นของดีแต่อยู่ไปอยู่มาเป็นหมดอายุกลายเป็นของเสียก็มีฝุ่นละองที่ก็เข้ามาในห้องนอนเราไม่ได้เชื้อเชิญ αι, ก็มาตามเรียกว่าคลื่นเรือพลังงา น, น αι, ในห้องเรามันมีฝุ่นอยู่เก่าฝุ่นมันก็เรียกฝุ่นมานั่นแหละอยากใยมก็เรียกอยากใยมาแมง ม, มุมก็เรียกแมงมุมเข้ามาเยหนูก็เรียกหนูเข้ามาแมงสาวยกแมงสาวเข้าม า, ม า, يد, า, า, า, มาใจเราก็เป็นอย่างนั้น ใจบาปบาปมันก็ามาเล่นการพันันเพื่อนการบันันมันก็ามาเป็นคนใจบุญเพื่อนมีบุญมันก็ามาบุญก็ไปติดบุญบาปก็ไปติดบาปคนมีความโกรธตัวเองเป็นศัตรูกับตัวเองเดี๋ยวก็มีศัตรูเข้ามา น, มนไม่ใช่เรื่องยากอะไรมันเป็นตามกฎแห่งกรรมนพอเราไปฏิบัติทำเราก็ได้เห็นโอ้นะ คิดดีแล้วก็ออกไปคิดไม่ดีแล้วก็ออกไปสัมผัสรู้สึกกระทบรู้สึกเงี้ยมันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรหรอกแต่สนใจความคิดมันยิ่งใหญ่เขาคิดมาทั้งชีวิต ม, มีพลังก่อนที่จะออกจากพลังของความคิดนะหลุดพ้นมาได้เป็นวิมุตต์เนี่ยก็ต้องพอสมควรทีเดียวพละห4าหนั่นแหละต้องสร้างสารรค์จนมันสมดุลจนมันเป็นพลังแล้วก็แยกได้ สติแยกรูปแยกนามแยกได้สติแยกศีล ส, สมาธิปัญญาแยกได้มันคืออะไรอาการยังไงที่เรียกสติอาการยังไงที่เรียกสมาธิอาการยังไงที่เรียกปัญญาและเป็นลนักษณะของสัมมานะไม่ใช่สัญทาตยานเราทำเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันเป็นทิศทางของการปล่อยการวางแล้วก็ สบายเนื้อสบายตัวเนะบาเนื้อเบาตัวเบาหัวโล่งไปเลยนะไม่มีพาละาว่าเราแบกเหลือเกินพาลทาั้งหลายทั้งปวงนะขันห้านะพาลหาเวปันจักขันธาขันห้านะแบกเขาไวพูดง่ายๆคือมันเป็นเราตลอดนั่นแหละนะขันห้าน่ะเป็นเราหน้าก็หน้าเราตาก็ตาเราหูก็หูวเราจมูกก็จมกูจมกเรานะลิ้นก็นลิ้นเรานะกายของเราใจของเรานะมันมีเราทั้งหมดน่นะ ต่อนนี้นะมันก็กลายเป็นเรื่องของตัวรู้ที่เขาจะพาเรานะเกิดการปล่อยการวางสติปัญญาพาไปและนะ้วถ้าฝึกสติสติมันจเจริญขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นจริงๆรนะิเป็นความมั่นคงทีเดียวชีวิตที่เหลืออยู่เป็นกําไรชีวิตหายใจเข้าก็มีความสุขหายใจออกก็จะเป็นความสุขไปเลยนะเป็นสุขเกษมสารที่ไม่ใช่สุขเผาสุกจีอิงามิตต่างๆมากมายนะที่ต้องเอาออกกระเพาะว่าอย่างนี้นะ จัดห้องนะของดีเขาไม่ดีขนออกให้หมอจะได้เช็ดชําระของละเอียดละเอียดจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นแหลนะความละเอียดที่มันติดยึดมันมีเช่นปุญญาที่สังขารการปนแต่งจะเป็นความมืดสีขาวตัวนี้นะความมืดสีขาวมันหมองมันควันมันไม่ใช่มืดดาจนก็ไม่เห็นอะไรมันเห็นเหมือนกันแต่เป็นฝ้าฟางนะความมืดสีขาวยึดบุญติดบุญทั้งหลายนะั่น แต่ว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่มันมีดีดีมากและดีที่สุดอะไรคือดีอะไรคือดีมากอะไรคือดีที่สุดต้องเฟ้นเลือกมาเป็นส่วนประกอบนะเพอชีวิตมันเวลเวลาล่วงไปล่วงไปบัด น, นี้เราทำอะไรอยู่ก้าวเถอะก้าวเหมือนโคที่เพชรฆาตจงสู่หลักอาหารใกลตายก็ไปทุกทีนะแปลวต้องรัดรัดดวนดวนสักหน่อยก็โดดมาเกาะเลย ทุน่นที่มทำให้เราลอยคอรอคอยมานานแล้วนะจมอยู่นานในวัตสงสาร่วงของอาสวะกิเลสต่างๆแบบนี้มันลอยมันเก็ะทุน่นทุ่นนั่นนะคือความรู้สึกที่กายเคลื่อนไหวแต่ละขนณะรวเก็ลมหายใจก็ไดนะ้ถ้าเรียกว่ามีฝีมือนะหรือว่าทำจนกระทั่งมันชำนานจริงๆนะวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นมาจริงๆ มันก็จะเห็นเนี่ยเราก็คืออะไรการเคลื่อนการไหวของหยาบคืออะไรของละเอียดคืออะไรการที่มันมีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมมันคืออะไรมันจะได้คําตอบขึ้นมันก็จะอ๋อเฮ้ยอ๋อมันเป็นคําพูดลักษณะที่ทําให้เราน่ยมันมีความรู้สึกคุ้มค่าที่สุดนทำกรรมฐานมาเรียนเนี่ยมันก็มีพัฒนาการของมันผ่านได้พอหนึ่งพอสองพอสาพอสี่พห้า มันบอกทิศบอกทางเราขนาดนั้นอย่างเนี้ยช่วงนี้มีนักแต่งเพลงมากับนักร้องบวชกันอยู่นะมันก็ตามกันมาอย่างนี้แหลนะบุญมหาบุญคดนะีก็อยู่ในค่ายที่นะเราก็ลางดูแล้ว ก, ก็ยอมรับกันอยู่นะแต่เป็นค่ายใหม่นอกจากแกรมมีเอนเตอร์เทนเมนต์อเงี้ยเตอก็ตายไปแล้วทนะักกันนี้ว่า ก็มีนิติงพงษอหอน้าแต่ต่อมาก็มีหลายคนนะที่อยู่ในวงการแลว้วพยายามฉีกตัวเองมาทำไข้ไมอันนี้เป็นส่วนแบ่งของการตลาดก็ดีธรรมคีตานี่ในพุะสัทารนมนี่ก็เชื่อว่าดนตรีนี่มันจะกล่อมให้จิตใจของคนเนมันสู่ความดีความงามทุกอย่างในโลกใบ น, นี้ มันมีสองฝ่ายอยู่เสมอคือฝ่ายกุศลธรรมและฝ่ายอกุศลธรรมทำบุญบ้าบุญก็มีทำบุญแบบปล่อยแบบวางก็มีอย่างเงี้ยสมมติได้ฟังหรือว่าทำชั่วมันก็ทำชั่วแต่ที่ไหนได้มันก็ไม่ใช่อันนี้ก็มีเหมือนกันมันเป็นแค่อาการกริยาเป็นกรรมแต่ว่ามันเป็นกรรมฐานทำอะไรก็ตามเป็นกรรมฐานอย่างศีลก็หนึ่งสัตว์ตชีวิตไม่ใช่ศีลไล่แมงวันอย่างเงี้ยมันก็มีไม่ใช่ไล่ยุงยังก็มี มันเป็นศีลแบบไหนกันความเป็นโพริีนใจิตในใจของเราครั้งหนึ่งนะเคยสนใจเรื่องเพลงเนี่ยปฏิบัติการก็เป็นนักดนตรีเหมือนกันพ่อยังสอนตรีอยู่ปฏิบัติหน้อย่างสอนอยู่อายุพอพอหลวงพะกรมเนี่ยละยังขับรถไปทีนี้เราเห็นว่าอคนก็เล่นดนตรีแบบไม่ใช่เป็นเรื่องการติดยึดแต่เป็นภูมิรู้ภูมิจิตภูมิธรรม ของตัวเองที่มีความชอบมาจนตั้งเฟ้นเป็นเรื่องของการให้นะให้เป็นทานให้เป็นบุญให้ความดีให้ความจริงนะสังคมก็ยอมรับอยู่สมัยก่อนบอกเต้นกินลากินะนะเป็นเรื่องที่มันน่าอายมากเราไปสู่ความเสื่อมเป็นลาคาจริตตัวราคาจริตราารนะดีสีปีเตา่าดีสีตีเป่าแล้วก็การแสดงต่างๆมันเป็นเรื่องที่บางทีนะมันเผลอไป มากมายแล้วกินทีนี้หลายคนดูก็หลงไปตามภาพที่เห็นมายาภาพอะนะการแสดงหรือว่าเสียงริมปลากฏขึ้นมาลินหลิงเลไ ล, ลบทเพลงของขุนเขาเนี่ยมันเป็นบทเพลงของธรรมชาติบางทีเดี๋ยวนี้เาจับบทเพลงของธรรมชาติไปใส่ขายให้คนเมืองกันซึ่งหิวก็หายมากเนี่ยก็ทําเงินท ำ, ทำ ท, ำทำทองได้มากมายนะ อย่างยกตัวอย่างคีตาร์โลถ้าใครฟังเพลงของคีตาโลเียเป็นเพลงโทนสมาธิต่างๆทีนี้ที่พูดเนี่ยหมายถึงว่าอย่างเช่นบทเพลงสอนธรรมมีบทหนึ่งที่เคยฟังโซรีปรกาพันธ์ร้องแล้วก็เสือพลตคววนิกเป็นผู้แต่งคำร้องก็คือมีบทที่น่าสนใจมากฟังแล้วสะดุด เหนื่อยเหนือนกบินหากินจนวุ่นเธอยังทวงบุญคุณขาดจนและจะรู้สึกก่อนเคยใจหายกับสบายกว่านึกเพราะเจอสุขที่ล้ำลึกว่างจากศึกภายในเราเคยต่อสู้กับคนใกล้ตัวความรักเป็นความร้ายต่างๆเราก็ทวงกันติดยึดกันผูกพันกันจนทั้งมันมีความทุกข์ยิ่งอยู่ใกล้มันอยู่ไกล มันอยากอยู่ไกลพออยู่ไกลแล้วรู้สึกว่ามันอยู่ถูกที่ถูกทางบางคนมันหนีเสือป่าจระเข้แต่บางคนหนีเสือแต่ว่าเจอทางออกเสือก็ไม่กัดไัยก็ไม่มีเช่นมาวัดมาวาแน่นอนที่สุดมันไม่มีไัยหรอกในวัดในวานะถ้ารู้สึกตัวนะแต่ถ้าไม่รู้สึกตัวมันก็เจอ ไ, ไัยร้ายในตัวก็คือระบบความคิดของเราแหละมันสแสดงออกมา อย่างเมื่อสองวันก่อนนะคุยนะกับนักแต่งเพลงนักแต่งเพลงที่มาบวชท่านบอกว่าเออแปลกดีความคิดนะมันเดินแล้วก็คิดมันเดินแล้วมันคิดนะมันมีความคิดเกิดขึ้นมาเนี่ยตรงนี้มันเคยเห็นหรือไม่นะกลัวตัวตไปนะมันเริ่มมีอาการวับวบแวบๆอยู่ภายในนะมันเป็นกระแสที่พระศาสน า, าเรียก ว, ว่าวงจรปฏิจจสมุปบาทนะแล้ววงจรปฏิจจสมุปบาทนะเราไม่ใช่ว่าไปเรียนรู้นะ ในพัตราวดีเทอเตอร์ซึ่งเขาเอาเรื่องพวกนี้ไปเล่นกันเป็นละครสอนธรรมต่างๆเดี๋ยวนี้มีเยอะมากก็นี้เราไม่ใช่ไปดูแบบนั้นดูหนังฟังเพลงแต่เรามาดูภายในใจของเราเราก็เห็นโอ้จิตใจของเราเนี่ยมันโลกใบใหญ่ทีเดียวนะเป็นโลกที่นะไม่ประมาณนะกว้างขวา ง, วางแล้วก็ถ้ารู้ไม่ทันนยมันเป็นโลกที่ทําให้เราเนี่ยมันก็หลง ในจินตนาการจินตภาพต่างๆพอเราเห็นแล้วโอ้โห้ว่าเป็นเรื่องแค่มายาความคิดนี่มันเป็นสมมุติแต่ว่าต้องหยิบมาใช้นะไม่ห้ามมันความคิดเกิดขึ้นมาไม่ห้ามนะแต่ว่าถ้ารู้ทันมันเมื่อไหรน่นะโว้มันเกิดขึ้นมาเองนะสบายไปเลยกลายเป็นตัวปัญญามไม่ได้สร้างปัญหาอะไรเป็นเพียงแค่ระหว่างการจัดห้องนะนะจัดห้องเสร็จแล้วก็สบายความคิดไม่ดีก็ออกไปความคิดดีก็ออกไป หรือแค่สับผัสรู้ความรู้สึกที่ฐานกายฐานกายก็เลยเป็นคําตอบเบื้องต้นเลยแค่ออกจากความคิดมาสัมผัสรู้ก็สบายเนื้อสบายตัวซะแล้วแต่บางทีมันจะเกิดการถลําลึกไปในตัวรู้มันเพ่งมันจ้องมันจี้มันสัมผัสมันแนบแน่นเกินอย่างเงี้ยนะก็เหมือนเอาผูเขาไว้ก็เรียกว่ากรรมัดฐานนะแต่ว่ามัดไม่เป็นไปมัดจะแน่นเกินไปไม่พอดีอย่างเงี้ยนะต้องมัดขณะที่มันคลิกกูคลิกนิดนิด ผูกว่าผูกไปปลายกินหญ้าบ้างบริเวณนั้นไม่ใช่ว่าผูกจนทา ม, มัดไว้กระสาหลักนะมันก็ดินปลาเล ย, ยนะอีกเพลงที่เคยประทับใจสุดเทพวงกรแหงร้องนะมีสุพลโทกับวณิกเนี่ยเป็นผู้แต่งอีกนะเจ้าจุกเพลงเจ้าจุกนะเจ้าจุกเนี่อยากฟังไหมเพลงเจ้าจุกโยมพาจะร้องให้ฟังเช้าเนี้ยฮะ ฟังเลยฮะไม่ร้องแต่พูดคำนองให้ฟังคำร้องนะคำร้องทานองไม่ต้องใส่เจ้าจุกไม่หล่อแต่ก็แข็งแรงผิวเนื้อดำแดงอาชีพทำนาสาวเกลียดทุกคนไม่พ้นโดนด่าจุกฟังจินชาแครว่าจ้างแคลมีธรรมะไหมเจ้าจุก สาวเกียรตทุกคนเลเจ้าจุกเนี่ยมันเป็นคนที่บันนอกมากแล้วกไม่ใช่คนมั่งมีสีรสุขร่ารวยมีความรู้ความสามารถเลี้ยงควายเด็กเลี้ยงควายนะเจ้าจุกนี่อาภัพนะเกิดมายากจนเป็นเด็กเลี้ยงควายไม่หล่อเลยอีกทัางหากนะแต่เป็นคนแข็งแรงนะอยู่กับธรรมชาตนะิผิวเนื้อดาแดงก็ต้องดาละโดนแดดโดนฝนะอาชีพทำนา หลังสูฟ้าหน้าสู้ดิน่ น, นสาวเกลียทุกคนเลยไม่พ้นโดนด่าฟังชินชาใครว่าช่างใครอ ย, อยู่มาวันหนึ่งข่าวเสียเพียใจเกิดถิ่นบ้า น, านเราสาวออกหาฟืนโดนขืนใจฆ่าจุกถูกจับมาเขาว่าจุกทำจุกงชอบธรรมชาตินะอยู่ป่าบมืองเอิญวันนั้นมีคนก็ถูกฆ่าคมขืน เจ้าจุกถูกจับมาที น, นี้สอปิลุตนะอยู่ใกล้บริเวณนั้นเจ้าจุกก็เลยถูกจับไปเจ้าจุกเป็นไงทีนี้ถ้าเป็นเราเสียใจไหมไม่ได้ทำแล้วเขาว่าโทษประหารทีเดียวนะฆ่าคมคืนนะมาตายยีิบเจ็ดยิงเป้าอุตฐานเดียวจะเป็นสมัยก่อนในนีฉีดยา เ, ยเจ้าจุกไม่โศกนะขณะที่ตำรวจจับขึ้นรถนะไม่โศกไม่เศร้าเลย เฉยโบกมือให้เราหัวล้อเบาๆดูหน้าฟังดีคนเกิดมากมายตายทุกนาทีจุกคนทําดีตัวตายช่างมันเห็นไหมเขาว่าเรานินทามันอยู่ในโลกใบนี้สันเสริยอยู่ในโลกใบนี้มีราบเสริมราบมียศเสริมยศอยู่ในโลกใบนี้เจ้าจุกนี่ไม่โศกไม่เศร้าเลยโบกมือให้ซะด้วยซ้ํำก็ไม่ผิดนะมาพูดอยู่ได้ แถมจับไปจะไปผหานี่ไปลีดสืบสวนนี่มันจะพูดไปทำไมเจ้าจุกเฉยกูไม่ได้ทำนะเพราะนั้นเจ้าจุกบอกมือให้เราหัวล้อเบาๆรู้ตัวเองดีดูน่าฟังดีหัวล้อแบบมีธรรมะนะคนเกิดมากมายก็ตายกันทุกนาทีจุกคนทำดีตัวตายช่างมันหนะลังจากนั้นการต่อมาเวลาเป็นตัวพิสูจน์จุกพ้นก็หา พาะคนที่ฆ่านั้นกรรมตามทันจนด้วยหลักฐานพยานปากคำถูกจับจองจำรอวันยิงเป้าท้ายสุดมันก็แสดงตัวออกมาฆาตรกรตัวจริงคนที่ทำเพราะนั้นแน่นอนที่สุดนะแพ้รับบาปมีเยอะมากแต่ว่าคนนี้ทามากก็รู้นะคือกดแห่งกรรมไม่มีเรื่องฟุกถึงวันนี้ไม่ได้ทาที่ผ่านมาก็อาจจะได้เคยทา เรองอันก็คือเรื่องของคนมีปัญญาไลยต้องเอาตัวรอดมีความอดทนมีการให้อภัยไม่ต้องมันก็ร้อนลอนจนทั้งสอพิรุตอย่งเ้นะทางที่ไม่ได้ทำเดีตากายเป็นติดคุกอย่างเงีง้ยนะก็ฟังบทเพลงสมัยก่อนนะเพลงแบบนี้ฟังแล้วชื่นใจมันกล่อมจิตวิญญาณของเราธรรมโมหะธรรมโมหะเวรักติธรรมาจาลิง ทำย่อมรักษาผู้ประพฤติรมเป็นนิดตรงนี้นะเราฟังโดยลจะจำามาได้ตั้งแต่เด็กๆนั่นนะและเราก็สนใจว่าเพลงที่มันแต่งแล้วก็มันปลุกเร้าคุณธรรมทำให้เราใจมันเกิดฮึกเหิมอ ข, อขึ้นมาในการที่จะทำดีโอ้มันมีอยู่ด้วยแนตะ่รางนัน้นก็ไม่ยี่หลาเหมือนกันแบบนี้เพราะว่าพื้นฐานสังคมหรือว่ามนุษยชาติ มันเป็นเรื่องของการชี้ทางอยู่แล้วแต่อยู่ในช่วงการเดินทางละชั่วร่วมทาดีร่วชําระจิตอันนี้ก็คือทิศทางของชีวิตเราที่เราจะต้องดําเนินต่อไปนะมันจึงมีลักษณะของบางทีกาบกวกีก็แต่งเอาไวนะ้ชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกล น, นักนะคิดอุบายมุ่งร้ายฉับหังนักมโนหนักบืดมัวเมือลาตีนะ คนฟังดนตรีไม่เป็นก็แสดงว่าแย่แล้วร้องเพลงไม่เป็นมันก็นแย่แล้วหรือแม้กระทั่งทำวัดสวดมนต์นี่แหละคือบทเพลงของพระอริยะเจ้านะอย่างบทสวดเมื่อเช้าเนะที่นําสวดมาจากขุทกานิกายนะเป็นคําจากพระโอษฐ์อย่างเงี้ยถ้าเราไม่ใช่ชาวพุทธแล้วก็เข้าสู่วัดปฏิบัตินะมีบทสวดแบบบาลีแปบลบเป็นไทยอย่างเนี้ยเราก็จะไม่ได้รู้เรื่องเลยสวดก็เป็นมงคลเป็นลิทธิปฏิหารน เป็นเรื่องของนะการมั่งมีศีสุขสวดแล้วจะได้สิริมงคลนี่มันก็ถูกเพราะการสวดทําให้เกิดศีลได้เหมือนกันสีริก็คือศีลนั่นแหละการสวดมนต์ศีลทําให้เกิดความหนักแน่นเป็นแดนของจิตที่มันหลุดพ้นจากอกุศลธรรมทั้งปวงเพราะนัการสวดมนต์นี้ได้ปัญญาแล้วก็ได้อารมณ์ด้วยนะมันเป็นการชําระล้างจิตก่อนปฏิบัติเนะดีมากบอกเลยว่าดีมาก ขณะที่จริงก็เราเป็นสมาธิกับบทสวดนะและวท้ายสุดก็คือมันก็จะมีปิติเล็กๆเข้าไปปฏิบัติสิจิตก็ปกติได้ระยะหนึ่งหละมันเป็นพลังนะมันเป็นผลเป็นอนิสงส์มันอาบน้ําสะอาดแล้วก็แต่งตัวสะอาดๆสักพักนึ่งรีสครับมันก็สกปรกต่อไปนะเพราะว่าเสื้อผ้ามันสะอาดแต่ว่ามันมาอยู่ของสกปรกนะบทสวดก็เหมือนกันการทําวบทสวดมนก็เหมือนกัน พอเราสะอาสะาดแล้วลองไปปฏิบัติเดี๋ยวก็เห็นความสกปรกที่มันนอนเนื่องอยู่เป็นของเก่านะขยะเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นไปนะเพราะฉนั้นสังคมแบบไทยๆว่าทําแบบไทยๆอย่างเงี้ยนะมันจะมีเพลงทั้งลูกทุ่งและลูกกล้นบ้านนอกและในเมืองอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นความเป็นไทยมันก็มีความตะวันตกมันก็มีความเป็นตะวันตกมันก็มีมันก็ทะลักตะลวงกันเข้ามาหรือว่าเกาหลีซีรีส์ต่างๆเข้ามา ยุคนิมเป็นยุคเกาหลีเทรน์ต่างๆนะบทเพลงจีนเพลงก็ถูกแปลเป็นไทยมากมายใส่เนื้อลองทํานองก็ไปผสมผสานกันเข้าไปก็เหมือนกับทำมากกับธรรมาชาติน่นแหละก็สิ่งเดียวกันเราผสมผสานนะชีวิตของเราซึ่งมีรูปธรรมนามธรรมมีองค์ธรรมต่างๆนะผสมผสานแต่ว่าสิ่งที่จะผูกนะแล้วก็บอกทิศบอกทางของเราผนะูกก็เพื่อให้เกิดนะความมั่นคง ผูกก็เพื่อให้เกิดนะการที่ไม่ใช่ยึดไม่ใช่ถือเพราะปกติการผูกเป็นการยึดการถือแต่ น, นี้ผูกไว้เพื่อจะนะศึกษานะการที่เอาจิตใจของเรามาผูกไว้กับกายเพื่อจะศึกษาเขาว่าพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างไรเราก็เลยเห็นว่าบางทีมันก็ง่วงอ้าวพฤติกรรมของจิตเราเป็นอย่างนั้นเลยชอบงงเป็นคนขี้ง่วงนะจิตของเราเป็นคนขี้เบือ่อแล้วจิตทุกคนน่นแหละชอบเบื่อมากๆเบือ่อนิ่ใสขี้เบือ่อติดมา แต่ท้ายสุดอย่าเบื่อตัวเองนะถ้าเบื่อตัวเองมันค่าตัวตายนะมันจะเปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติใหม่มนุษย์สเปตัวมนุษย์เดชาโนอนะร่างเป็นมนุษย์แต่ใจมันเป็นอะไรนะนอกจากมนุษย์โสซนะิประเภทนี้จะอยู่เย็นเป็นสุขพร้อมที่จะเป็นพระทันทีเป็นะเวลาพระก็จะเบิดกันจะถามว่าเป็นอะไรมานะสรเดชานใช่ไหมสัตว์นรกใช่ไหมเปรตใช่ไหมหรือมนุษย์โสซิหรือ ว, ว่าเป็นมนุษย์ใช่ไหมนะก็ต้องตอบว่าอามะพันเตนะ เป็นแล้วก็ต่อยอดมนุษย์ใจสูงใจสะอาดสว่สางสงบเป็นจิตที่มันมีกําลังปัญญาทะลุทะลวงเห็นการเกิดตับของกิเลสกิเลนเป็นเหตุแห่งทุกข์มันก็คุ้มค่ากับชีวิตของเราเราก็ได้เห็นแล้วโอนะ้ลักษณะแบบไทยไทยวัดแบบไทยไทยพฤติกรรมการปฏิบัติธรรมแบบไทยไทยจนกระทั่งมันได้เป็นศูนย์กลางของพระศาสนาโลกนี่นะพระมหากษัตรสทุ ก, ท ก, ทกพระองค์เป็นพุทธบามกะนะ เราก็ไม่ใช่เป็นแค่พุทธแบบแฟชั่นหรือฟรีเวอร์เราเข้าถึงสภาวะความเป็นพุทธนะก็ในการสร้างความรู้สึกเมื่อสึกตัวกันเนี่ยแหละนะการเคลื่อนการไหวของกายแต่ละษณนะนะมันพาไปจนตั้งเป็นความเป็นปกติสุขเกษมสารนะมันปรากฏมาชัดเจนเหลือกินนะเราก็ต่อเนื่องตรงนี้แหละนะมันถึงจะเป็นแล้วนะของนิพพานฐาวอนะปกติไปเรื่อยๆปกติไปเรื่อยๆ รู้เฉยๆรู้ซื่อๆอเป็นความฉลาดไปเรื่อยๆนะมันก็ยืดออกยืดออกยืดออกเคยปกติ5้าทีเป็นสินาทีเป็น1ชั่วโมงเป็น2วันสาวัน1อาทิตย์2อาทิตยนะ์เป็นเดือนเป็นปีเราสังเกตความเป็นปกติมันมีมากๆเข้าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็เป็นความดีที่แบ่งปันกันนะมันจะรวยคนเดียวได้ยังไงมันจะดีคนเดียวได้ยังไงนะมันจะมีบุญคนเดียวแล้วก็แบ่งปันกันนะแต่เพราะนั้นบุญสูงสุดก็คือนะ ให้ธรรมะเป็นทานกั น, นแม่สอนลูกมีความสุขนะรรมาแบบแม่เพื่อนสอนเพื่อนบอกเพื่อนในทิศทางของการประกอบอาชีพมีความสุขนัน่นแหะเป็นลักษณะของการให้ธรรมะเป็นทานทั้งหมดนะพระบอกโยมองี้ทิศทางความสว่างเป็นทางนี้นะอย่าหลงไหลไปในอดีตนะกังวลในอดีตนะอย่าหลงไหลไปในอนาคตนะวิตกกังวลในอนาคตนะอะไร Hai, อวัต่างๆติดยึดต่าง ต, ต่างแต่เพร า, าะนั้นมันคือขยะ เรามารู้สึกตัวรู้เนะื้อรู้ตัวนะอันนี้ทำให้เกิดลนะักษณะของสันติสุขสันิภาพจริงๆนะความสงบเย็นเป็นประโยชน์จะเกิดขึ้นมาเป็นความสร้างสรรค์วิถีทางสู่ความนะสว่างสวัยของโลกลนะเราหลวงพ่อเขียนอะไรพูดนะเมื่อวานว่าพอมันรู้แล้วนะมันจะเกิดอย่างหนึ่งขึ้นมาคือโลกของปาริะเมยตยนะสีปาริยเมยตยนะ ก็คือการที่คนทั้งโลกนะมารู้สึกตัวแล้วก็ไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นกันไปไหนมาไหนก็มีธรรมิแต่เพื่อนเมตตากรุณาเมตตาแบิกขาเมตตาช่วยเหลือเผื่อแผ่แบ่งปันกันนั่นนะไม่ใช่หมายถึงว่าจะต้องนะอีกสักหลายอสงไขยหลายแสนกับแสนกัน ถึงจะมีพระเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็มีโลกของพระเสียยเมตัยเกิดขึ้นมาหลังจากสัมนาคโคโดมเกิดขึ้นมายุคนี้มันยุคสัมนาคโคโดมยุคต่อไปคือเสียยเมตัยหลวงพ่อบอกว่ามันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกเรามารู้สึกตัวจิตใจเราเป็นปกติมันเกิดสันติสุขสันติภาพมันก็พร้อมจะแบ่งปันกันถ้าพวกเรามารู้สึกตัวเหมือนเหมือนกันทั้งโลกอะไรจะเกิดขึ้นนั่นแหละก็คือโลกของ สีพระรยเมตตาพระสีอระยะิยเมตตานีมันก็จะเกิดขึ้นมาแต่เพราะฉนะ น, นั้นบทเพลงนะมันก็พาไปถึงมรรคผลนิพพานได้เหมือนกันนะธรรมกีตะอย่างเงี้ยโดยพาบทเพลงที่เรากําลังร้องบทเพลงของเราชีวิตของเรานะบทสุขบททุกขนะ์ดีใจเสียใจนะสมหวังไม่สมหวังต่างๆชอบไม่ชอบนะมันก็เป็นบทเพลงที่กาลังสอนเราอยู่ตลอดเวลาเมล่อละ มันมาในรูปรอยของการคิดการปรุงการแต่งนะเราก็เห็นกันใชอย่างเงี้ยนะเอาละนะเดี๋ยวเย็นนี้จะนิมนต์พระรูปเนี้ยเทศสักหน่อยนะเดี๋ยววันนี้ลองสังเกตนะมันจะคิดอะไรบ้างนะก็ลองไม่ต้องไปคิดอะไรนะลองเหมือนกับว่าปฏิบัติธรรมดาธรรมดาดึงออกมาเลยรู้ว่าจะเทศนะส่วนใหญ่มันจะมีอารมณ์มีความคิดเกิดขึ้นมามันจะเรียบเรียงเสียงภาษานหน้าดูแล้วคราวนี้เราก็ลองรู้สึกตัวเป็นอย่างเดียวนี่แหละ ไม่ต้องไปคิดว่าจะเทศอะไรจะพูดอะไรนะอ่ะก็ส่งอารมณ์ไปให้นะชาวเน็ตว่าสมควรเก็บเวลากลาบมพร้อมกัน